หนังสือเสียงวิธีชนะมิตรและจูงใจคนจากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดลคาเนกี้แปลโดยอาสาขอจิตเมตรให้เสียงอ่านภาษาไทยโดยสราวุฒิชัยดีตอนที่6วิธีปฏิบัติเจประการเพื่อทำให้ชีวิตในครอบครัวของท่านมีความสุขยิ่งขึ้นวงเล็บเปิดต่อวงเล็บปิด บทที่สามถ้าท่านทำเช่นนี้ท่านจะต้องคอยดูกำหนดเวลาเพื่อไปสู่การหย่าร้างประปักร้ายกาจที่สุดในชีวิตการปฏิบัติงานเพื่อชาติของดิสเรลีก็คือแกสโตนผู้ยิ่งใหญ่ คนทั้งสองปะทะกันทุกครั้งเมื่อมีการอภิปรายเกี่ยวกับราชการแผ่นดินแม้กระนั้นยังมีอยู่อย่างหนึ่งที่คล้ายคลึงกันประสบความสุขยอดเยี่ยมในชีวิตทางครอบครัววิลเลียมและแคทเธอรีนแกสโตน ร, ร่วมชีวิตด้วยกันเป็นเวลาห้าสิบเก้าปีและต่างรักใคร่เสน่หากันอย่างซาบซึ้งดูดดื่มโดยไม่รู้จักเสื่อมคลาย พระเจ้ามักจะคิดถึงตอนแกสโตนนายกรัฐมนตรีผู้ขึ้นชื่อลือนามที่สุดในบรรดา น, นายกรัฐมนตรีทั้งหลายของอังกฤษจับมือเมียของเขาพาเต้นรำไปรอบๆพรมหน้าเตาผิงและร้องเพลงดังนี้ผัวแต่งกายมอมแมมกับเมียพูดพร่ำเพ้อเจร์เราจะสำราญร่าเริงและยินดีเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างในการขึ้นและลงของชีวิตแกสโตนแม้เป็นฝ่ายค้านที่น่าเกรงขามในสภาผู้แทน แต่ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านที่บ้านด้วยการตำหนีติเตียนน่นนี้ครั้งหนึ่งเมื่อเขาลงมาจากห้องของเขาในตอนเช้าเพื่อกินอาหารและได้พบว่าลูกเมียของเขาต่างยังไม่ตื่นนอนเขามีวิธีสุภาพในการแสดงกิริยาตำหนีติเตียนเขาตะเบงเสียงร้องเพลงลั่นบ้านซึ่งเป็นการเตือนสมาชิกอื่นๆในครอบครัวของเขาให้รู้ว่าเขาผู้มีภารายุ่งที่สุดในประเทศอังกฤษกำลังคอยกินอาหารเช้าอยู่ชั้นล่างคนเดียว จากความเป็นผู้มีสติปัญญาสูงและรู้จักกาลาเทศะเขาถือเป็นประเบียบอย่างเคร่งครัดที่จะไม่วิพากษ์สิ่งต่างๆทางบ้านและในทํานองเดียวกันพระนางคัททรีนมหาราชินีก็ได้ปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำพระนางคัทรีนปกครองจกักรวรรดิใหญ่ที่สุดในประวัติการของโลกพระนางมีอํานาจเต็มเปี่ยมที่จะสังหารหรือไว้ชีวิตแก่ประชาราษฎรนับจํานวนล้านๆภายใต้ปกครองของพระนาง ในทางการเมืองพระนางมักจะเป็นราชินีหาหรืโหดทำสงครามอันไม่จําเป็นและประหารศัตรูด้วยการยิงเป้าเสียหลายสิบคนแม้กระนั้นถ้าคนครัวของพระนางปิ้งเนื้อไม่เตรียมพระนางจะไม่พูดอย่างใดเลยพระนางจะแย้มสวนและทนกินซึ่งผัวทั้งหลายควรจะปฏิบัติตามอย่างเมื่อตกอยู่ในภาวะเดียวกับพระนางดอโร์ธีดิก นักเขียนเอกของอเมริกาในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานอันไร้ความสุขเปิดเผยว่าการแต่งงานของชาวอเมริกันมากกว่าครึ่งหนึ่งประสบความล้มเหลวและหล่อนรู้ดีว่าเหตุสำคัญในเหตุหลายอย่างซึ่งนำความละเมอเพ้อฝันที่จะได้รับความสุขเต็มเปี่ยมจากความรักในชีวิตแต่งงานไปสู่หินโศโครกแห่งการหย่าร้างก็คือการต่ำหนิติเตียนการติเตียนอันไร้ประโยชน์และการติเตียนซึ่งเป็นที่ร้าวรานใจ ดังนั้นถ้าท่านต้องการให้ชีวิตในครอบครัวของท่านมีความสุขจงจำกฎที่สามซึ่งมีดังนี้อย่าตําหนิติเตียนและถ้าหากว่าท่านอยากจะตําหนีติเตียนลูกๆของท่านท่านคงนึกว่าข้าพเจ้าคงจะแนะนําให้ท่านอย่าทําเช่นนั้นแต่ข้าพเจ้าไม่ได้แนะนําท่านดังนี้เลยข้าพเจ้ากําลังจะบอกท่านว่าก่อนท่านจะตําหนิตีเตียนเขาจงอ่านบทประพันธ์ชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของอเมริกาชื่อพ่อลืมไป บทประพันธ์นี้ได้นำลงเป็นครั้งแรกในหน้าบรรณาธิการในนิตยสาร p o p e s Home j อ u r n a น, นข้าพเจ้านำมาพิมพ์ไว้ในที่นี้โดยได้รับอนุญาตจากผู้เขียนการนำลงนี้คัดลอกจากเนื้อความที่นิตยสาร b r i s t r s Digest ย่อให้สั้นลงพ่อลืมไปเป็นบทประพันธ์สั้นๆซึ่งเขียนอย่างหวัดหวัด สำเร็จขึ้นภายในเวลาครู่เดียวจากความรู้สึกนึกคิดอันจริงใจของผู้แต่งแต่ซาบซึ้งตรึงใจแก่ผู้อ่านเป็นจำนวนมากจนต้องพิมพ์แล้วพิมพ์อีกตลอดมาและคงได้รับความนิยมตลอดมาเช่นเดียวกันผู้แต่ง W. Livingston l a น e กล่าวถึงบทประพันธ์เรื่องนี้นับตั้งแต่พ่อลืมไปลงพิมพ์ครั้งแรกเมื่อสิบห้าปีมาแล้วได้พิมพ์แล้วพิมพ์อีกในนิตยสารต่างๆนับจํานวนร้อยๆฉบับรวมทั้งนิตยาาสารสําหรับพ่อและในหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศและพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศแพร่หลายไปหลายภาษาข้าพเจ้าอนุญาตให้บุคคลนับเป็นจํานวนพันๆราย ซึ่งประสงค์จะนําไปอ่านในโรงเรียนในโบสถ์และตามเวทีปากฐกถาบทประพันธ์นี้เคยอ่านทางวิทยุ ก, กระจายเสียงและบรรจุในรายการกระจายเสียงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนข้อที่แปลกอย่างยิ่งก็คือนิตยสารรายต่างๆของวิทยาลัยและไฮสคูลต่างนําไปลงพิมพ์ในบางครั้งบทประพันธ์ชิ้นเล็กๆ สามารถจะก่อให้เกิดความเกรียวกลาวอย่างน่าพิศมงได้เหมือนกันบทประพันธ์ชิ้นนี้แน่นอนทีเดียวอยู่ในลักษณะนั้นพ่อลืมไปโดย W. Livingston Lane ฟังพ่อหน่อยลูกชายของพ่อพ่อพูดในยามลูกกำลังนอนหลับมือน้อยๆของลูกข้างหนึ่งทับหน้าอยู่กับแก้มและผมหยิกย้อยสีทองของลูกเปียกติดอยู่กับหน้าผากที่ชุ่มเหงื่อของลูก พ่อแอบเข้ามาในห้องของลูกแต่คนเดียวเมื่อสักสองสามนาทีมานี้เองขณะพ่ออ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในห้องสมุดพ่อเกิดอึดอัดด้วยความรู้สึกเสียใจในการกระทําของพ่อพ่อมาหาลูกข้างๆเตียงอย่างผู้กระทําความผิดพ่อกําลังคิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรหลายอย่างลูกชายของพ่อพ่อโกรธลูกพ่อดูด่าลูกขณะลูกแต่งตัวไปโรงเรียนเนื่องจากลูกเช็ดหน้ากับผ้าเพียงแผลบเดียว พ่อด่าว่าลูกที่ไม่เช็ดเกลือพ่อตวาดเสียงดังลั่นด้วยความโมโหเมื่อลูกโยนอะไรต่ออะไรลงกับพื้นเมื่อตอนกินอาหารเช้าพ่อก็พบความผิดของลูกเช่นเดียวกันลูกทำน้ําแกงหกลูกกินมุมมามลูกเอาข้อศอกเท้าโต๊ะลูกเอาเนยทาลงบนขนมปังหนาจนเกินไปขณะลูกกำลังจะไปวิ่งเล่นและพ่อออกจากบ้านเพื่อขึ้นรถไฟไปทางานลูกหันมาโบกมือกับพ่อและตะโกนสวัสดีครับพ่อ พ่อขมวดหน้าและร้องตอบยืนให้ไหล่ตรงหน่อยสิครั้นแล้วเริ่มมีเรื่องขึ้นอีกในตอนเย็นตอนพ่อเดินมาตามถนนพ่อสายตามองเห็นลูกกำลังคุกเข่าเล่นลูกหินกับเพื่อนๆพ่อนพ่อมองเห็นถุงตีนยาวของลูกขาดเป็นรูพ่อทำให้ลูกขายหน้าเพื่อนด้วยการสั่งให้ลูกกลับบ้านโดยออกเดินไปข้างหน้าพ่อถุงตีนยาวราคาแพงและเนื่องจากพ่อต้องควักเงินซื้อมาลูกจะต้องระวังหน่อยคิดดูให้ดีสิลูกรัก คิดดูว่าคนที่เป็นพ่อนี่แหละมีภาระอย่างไรบ้างลูกจำได้หรือเปล่าว่าต่อมาอีกในขณะพ่อกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในห้องสมุดลูกมาหาพ่ออย่างหวาดหวาดพร้อมกับมีประกายปวดแ ร, ร้าวอยู่ในดวงตาพ่อจำเลืองมองข้ามหนังสือพิมพ์แสดงความเบื่อหน่ายรำคาญที่ลูกเข้ามายุ่งลูกหยุดบรีรอยอยู่ที่ประตูพ่อพูดตะคอกแกต้องการอะไร ลูกไม่ได้พูดเลยแม้แต่คำเดียวหากวิ่งปราดตรงมาหาพ่อทิ้งตัวลงใช้แขนทั้งสองของลูกโอบรอบคอพ่อไว้และจูบพ่อซึ่งขณะจูบแขนเล็กๆของลูกรัดพ่อแน่นเป็นการแสดงความรักซึ่งพระเจ้ามอบให้บานเบ่งอยู่ในหัวใจของลูกความรักซึ่งความเฉยชาเฉยเมยของพ่อไม่ได้ทําลายให้มันเหี่ยวแห้งได้เลยครั้นแล้วลูกไปจากพ่อพ่อได้ยินเสียงลูกขึ้นบันไดสู่ชั้นบนแปลกมากลูกรัก ต่อมาอีกไม่นานหนังสือพิมพ์หลุดจากมือของพ่อพร้อมกับรู้สึกสะดุ้งกลัวอย่างร้ายแรงขึ้นในใจของพ่อพ่อเกิดนิสัยบางชนิดขึ้นกระมังใช่แล้วนิสัยคอยจับผิดคอยดุด่าว่าลูกนี่แหละคือรางวัลของพ่อที่ให้ลูกในฐานะลูกเป็นเด็กผู้ชายไม่ใช่เพราะพ่อไม่ได้รักลูกแต่เป็นเพราะพ่อมุ่งหวังจะให้ลูกซึ่งยังเป็นเด็กทําในสิ่งเกินใบของลูกพ่อลืมคิดไปว่าอายุ ข, ของลูกยังไม่มากเท่าอายุ ข, ของพ่อ และในอุปนิสัยของลูกปรากฏชัดว่ามีสิ่งดีงามและกะตัญญูอยู่มากทีเดียวหัวใจเล็กๆของลูกมีขนาดใหญ่เท่าแสงแห่งรุ่งอรุณซึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือยอดเขายาวเหยียดทางนี้แสดงให้เห็นโดยการกระทาด้วยความสมัครใจของลูกเองที่วิ่งปราดมาหาพ่อและจูบพ่อกล่าวคำราตรีสวัสดิ์คืนนี้ไม่มีอะไรสลักสาคัญหรอกลูกรับ พ่อได้มาที่ข้างๆเตียงลูกในความมืดและพ่อคุกเข่าลงด้วยความรู้สึกกระดากอายมันเพียงแต่เป็นสิ่งชดใช้ความผิดของพ่อเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองพ่อรู้ดีว่าลูกคงจะไม่เข้าใจความหมายของสิ่งเหล่านี้ถ้าพ่อบอกลูกในระหว่างลูกยังไม่หลับแต่พรุ่งนี้แหละพ่อจะเป็นพ่อที่แท้จริงของลูกพ่อจะเป็นเพื่อนที่ดีของลูกจะทุกทรมานเมื่อลูกทุกทรมานจะหัวเราะเมื่อลูกหัวเราะถ้าหากพ่อเหลืออดเหลือทน อยากจะกล่าวคำพูดดูว่าลูกพ่อจะกัดลิ้นของพ่อและพ่อจะท่องในใจซ้ำๆซักซาบลูกยังเป็นเด็กเป็นเด็กเล็กๆที่แล้วมาพ่อลืมคิดไปว่าลูกยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ครั้นเดี๋ยวนี้ลูกรักพ่อเห็นลูกนอนขดอยู่บนเตียงน้อยๆคล้ายจะติดเหนื่อยหมดแรงพ่อได้พบความจริงว่าลูกยังคงเป็นเด็กเล็กๆนี่เองเมื่อเร็วๆนี้แม่ของลูกยังอุ้มลูกไว้ในอ้อมแขนหัวของลูกพาดอยู่กับไหล่ของแม่ พ่อต้องการจากรูปมากจนเกินไปเกินไปอย่างที่สุด